เรื่องภิกษุณีใช้จุรน์ส่งน้ำสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายใช้จุรนส่งน้ำคนทั้งหลายตำหนิประนามพลทนาว่า เหมือนหญิงครหัดผู้บริโภคการมภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงใช้จุรนส่งน้ำรูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้รำข้าวและดินเหนียว สมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายใช้ดินเหนียวอบกลิ่นสงน้ําคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลนทนาว่าชไหนภิกษุณีทั้งหลายจึงใช้ดินเหนียวอบกลิ่นส่งน้ําเหมือนหญิงคะเรหัดผู้บริโภคกามเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงใช้ดินเหนียวที่อบกลิ่นสงน้ารูปใดใช้ต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตดินเหนียวธรรมดาสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายสงน้ำในเรือนไฟเกิดชุลมุน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 สมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายส่งน้ําที่ท่าอาบน้ําของผู้ชายคนทั้งหลายตําหนิประนามโพลนทนาว่าชไหนภิกษุณีเหล่านี้จึงส่งน้ําที่ท่าอาบน้ําของผู้ชายทําเหมือนหญิงคฤหัตผู้บริโภคกามเล่าภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิษุณีไม่พึงส่งน้ำที่ท่าอาบน้ำของผู้ชายรูปใดสงต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้อาบน้ำที่ท่าอาบน้ำสตรี ตติยาานวานจบพิกุณีขันธกะที่สิบจบในขันธกะนี้มีหนึ่งร้อยเอ็ดเรื่อง